เรื่องที่เกิดของพุทธศาสนาคือว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าคือปฏิทาลากตะกุมาอันนี้จะพูดถึงเรื่องเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับต้นไม้ ต้นไม้มัองเกิดในกี่ใดก็ต้องมีเปลือกต้องมีก๊าที่ต้องมีแก่ศาสนาก็ในทรนองเดียวกันให้รู้จักเปลือกและก๊าซที่แก่เขาจะศาสนาด้วยพาะพุทธเจ้าทั้งสรเทศนาสนากะสาโลคนไปคว้าเอาเปลือกก็เป็นแก่เลยไม่ได้ของดี ศาสนามีทั้งเปลือกตี่และแก่เข่งไปมีเข่งก็ยืนนานมาจนป่านนี้เหมือนกับต้นไม้ถ้านี้แค่แก่เขาเหลีต้นไม้ตายถ้านี้เหมือนกับต้นนี้ต้องหลานถ้านี้แค่เปลือกเหมือนกับต้นกลวดไม่ถ้าบอล มีทั้งเปลือกและก็พี่แกนต้นไม้ต้นนั้นเน่ยก็ยืนนานเปลือกเป็นเส้นห่มห่อกับพี่ทั้งแมกพี่เจริญงอกงามากระพี่ห่มห่อแกนส่งเสริมสนับสนุนแกนให้เติบโตเป็นโดยลำดับต้นไม้ยังขยืนนานก็จะศาสนาขึ้น ยืนมามาทั้งสองพั น, น 2, กว่าปีก็ต้องมีท่างเปลือกแล้วกับที่แฉนขนาดเหมือนกันท่านจะไม่ได้อธิบายหรอกเปลือกเพื่ออะไรกับที่คืออะไรแกนคืออะไรท่างจะไม่ได้อธิบายละเอียดแล้วอ้อหรอกแต่จะมุดบัญญัติขึ้นเพื่อให้จําได้ง่าย จะได้อธิบายให้เข้าใจเปลืองั่นได้แก่สาสนพิธี ต, ต่างๆหรืออีกนั่นหนึ่งที่เรียากว่าการทำท า, านรักษาศีลถ้าหากการทำท า, านในรักษาศีลจะแล้วหรือสาสนพิธี ต, ต่างๆศาสนาก็จะมีเครื่งใหม่นักที่ได้กระาม ศาสนาใดแต่ทังก็จําเป็นจะต้องมีลัทธิสนับธรรมเนียมประเพนีเป็นเครื่องหมายกะทิแดแแปลกต่างกันไปโดยจุดมุ่งหมายนี้เองจุดมหมายนั้นในที่พากันที่ทีบจองต่างๆเป็นเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายลทัทธิต่างๆว่าทิแดแแกทิดแแกแตกต่างกันตรงไหนในญาละเอียดตนาดใดอยู่ตรงนั้น หรืออีกในหนึ่งท า, านโบราณท่านพูดไว้ท่านบอกว่าทานเป็นเครื่อนเลี้ยงพั่วปุ่นศีลเป็นมนต์เป็นนิชาเป็นยาเป็นอาวุธทานนี่แหละถ้าขาดทางขาดทานเพอย่างเดียวแล้วหมดทุนทานาศาสนาอยูอ่ทานยังเป็นเบืองต้นเป็นเปลือกหุ้มหออ่อสักทีไว้ อธิบายในแต่วันนี้ก็จะอธิบายเรื่องทางก็สินเป็นเปลือกการทนุบํารุงพุทธศาสนาด้วยการทําบุญทาทานเป็นทําบุญทักบาทนี้เป็นต้นหรือว่าสร้างศาลาการประเรียนบูรติฐานถ้าหากว่า น, นี่เรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องนทนุถนอมบารุงเสร็จแล้วแต่อย่างที่เราไปเห็นในเมืองนอก วิหารโบสถ์วัดวาอารามกใไม่มีมีเมืองไทยท่นั้นโบทวิหารสาร้างศลากา ร, รเรียนสวยสดงดงานโบทท์ชิตเตียนก็มีแหลแต่ไม่สวยมันจะโบทเมืองไทยหรอหรือจะเป็นข้วาวคั่วถือกระไม่สัจะในทัศนคของอัตมาเองสู้โบดมึงไทยกันไม่ได้มีลวดลายงดงามวิจิตพศิดา์ นี่เป็นเครื่องเชิดชูเกียตรติของพุทธศาสตร์นาเป็นเครื่องสง่างามของประเทศชาติบ้านเมืองเมืองใดประเทศใดชาติเข้าเจสมาไปก็ไม่กี่ไม้รนน้อยไปสองสามประเทศใครเคเห็นมันในความว่าอวดได้บ้างก็ไม่งา่ายไม่สวยเมือนตกเกศไทยประเทศอื่นหรือบ้างไงสมัยจ่ามาได้พูดแล้วเมื่อคืนที่แล้ว ความสุภาพเรียบร้อยนิ่มนวลศิญญริยามว้แง่ของคนไทยแต่มาด่ชมว่าเป็นของน่าชมจริงๆหรือชาวต่างประเทศเขาก็เคยชมว่าประเทศไทยเนะี่ยคือลา์เรียบร้อยนิ่มนวลดีจริงมีที่เขาเคยโคกเคยได้ยินกันอยู่ อันนี้เป็นเครื่องหมายความดีของพุทธศาสมามีเป็นเนื่องจากการทำทานถ้า ม, มีการทำทานเรื่องทั้งหลายแล้วนี้ก็ไม่สรากดขึ้นมาทานเบื้องต้นคือทานอาหารสารบริโภคศิษสุสงทั้งหลายม่มีการอาชีพค้าขายธํายจินอะไรในนี้ชีวิตเนื่องเรื่อคนอื่น าหากว่าญาติโยมเมตตบุญสุนทานพระก็อยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้พระที่ไม่ได้ทํมามาตถ่ายหรือไม่ได้ทำกติกาบิดาใดทั้งหมดบวชอยู่ได้จนตลอดวันตายอายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบก็ได้อยู่ได้สุับมีมรดอย่างนี้จึงเรียกว่าทานในเรื่องเยียงพวกคน พระมุ น, นี่เราเป็นกำลังทงให้ศาสนาท้าวอนต่อมามีการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมหรือว่ารักษาศีลประพฤติเป็นตัวอย่างของชาวโลกหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปถ้าเหตุอาศัยทางถ้าเป็นตัวอย่างอันดีงาม ในเมันงไทยของเราที่ไหนก็ตามถ้าหากว่ามันมีวัดวาสแต่แล้วมันมีพระเจ้าวระสงฆ์รู้สึกว่าบ้านนั่าจะเศร้าหมองและผู้คนก็จะเศร้าหมองไม่จิตใจและหน้าตาเลยของใสสาถ้าหากว่ามีพระหรือ ม, มีการทำบุญต้นทางอยู่เสมอๆ อ, อย่างที่เขาอยู่ตามวัานอกตนโบสถป่าตามรูตา่าง ถ้ามีการทําบน้นทางเสร็จแล้วมีการจิตประเพณีในทางพุทธศาสนาก็จะพากจงหกมุ่นและคุณผุกคนอยู่แต่กับเรื่องงานการงานของเขาจะมีการทั้ทงคว า, า, า, ามสะอาดเรื่องแต่งต้นแต่งสวยให้สะอาดสะอาดเลยผู้หมอมนี่ทป็นดีอย่างนี้เลยในเรื่องศาสนาเรื่องวัดวาอารางเกิดจากการทําทานเป็นทานเป็นส่วงเรื่องพวกคน กำลังของพระพุทธศาสนาคือระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านเรียกว่าพุทธธิสั์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นคนนำอุบาศกอุบาสิกาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช า, าบ้านพอเข้าไปวัดไปเห็นพาะก็พุทธละอายตัวไม่ได้อย่างไรที่จุกจะเยี่ยมตัว ถึงแม้จะมีความชั่วแต่ในเวลาเข้าบ้านรู้สึกว่าเสียนตัวนี่มันนามีศาสนามีทิพย์คนสำหรับที่จะทําคนให้ดีขึ้นมาได้โดยประการอย่ากอีกยังเรียกว่าทานเป็นเครื่องเรียนพวกคนคนของพุทธศาสนาเมื่อว่าเราพุทโณนขั้มจุนพุทธศาสนาก็เป็นอ น, นว่าพพุทโณนขั้มจุนตัวของเราคือเป็นผู้เป็นวาตวบาศกาไปในตัว เสริมสร้างคุณงานคนดีสัวขงเราไปในตัวเมื่อมีธานอยู่ในตัวของเราแล้วสินก็พลอยเกิดขึ้นมาด้วยคือคนเราสร้างคนดีนี้มีแต่หยากดีล้ำไปเมื่อเห็นคนงานคนดีเพราะการทาําธาตก็เห็นดีขึ้นมาใยญกว่าดีขนาดนี้ก็ดีแล้วก็นหยักล้าเรื่อยๆขึ้นไปแต่มีาการรักษาสินี้ต่อไป นี่เปลือพุ่มพ อ, อกับพีไหร่สิ้นเป็นมนเป็นวิชาทานว่าวิชาดีคือสิ้นสิ้ น, นวิชาทังอเศตเป่าพิศภัยอันตรายล้ายแรงให้หายศูนย์กวอย่างคนค่าสักเคยค่าสักรักษะพิศทิศนิภายการในละต่าง เอกคาถาคือสิบหน้หาสิแดคิดแตน่าก็หายศูนย์ไปหมดไปจริงไปคนเรานะ่ลองคิดดูดถ้าหางนี้จะมมบมุ่นโดยการฆ่าสัตว์ชีวิตคิดใจเอามาหิดโหดไล่พยายามที่จะทำลายคนอื่นทางเดียวเบื้องต้นแต่ทำให้เล็ก น, น, น, น้อยเพียงสัต บางทีจะใที่เบียดเบียนตนหรือสาาตน น, น, านนั้นๆนะเข้ากับมานมือเข่าสัตัวอย่าใหญ่ๆจะโตก็เลยไม่เตี้ยามแล้วไม่มีความละอายนั้นๆนะเข้าจับมือนั้นไม่มีแค่ขานั้นๆนะเข้ากับข่ายกันเองตีกันเองท่าลายกันเองนี่มันเลยมันมันมือไปอย่างเงี้ยถ้ า, าล้วเสกเป่า ด้วยค้าถาคือปานาสีปาตาเวรเมะนีงดเว้นเสียจากการทำลายสัตว์ค้าถานั่นก็จะปัดเป่าให้มันหายไปคิดลายนนเกิดเนตตาสตงสารเอ็นดูเป่นการในการซึมมาคนก็จะฟ้ามาขีปองดองซึงนการก์ การลักก็คงขโมยจะเป็นเช่นเดียวกันาคิดถึงสมบัติหรือสิ่งของที่ของเรามีมาแล้วอยากจะจังเป็นกระตองของเห็นมีสิ่งไหนก็ม่ยังให้เสื่อมสูญเสียไปหามาได้ด้วยความลำบากกาจักได้มาแล้วก็ยังให้ได้ใช้เพื่อให้อยู่นานท้าวอนเลยสักหน่อยอันนี้คนที่คิดขโมยคนอื่นชอบคงคนอื่นนีแต่เอาจะเอาถ่ายเดียว มาได้ของเขาแล้วก็เป็นดีเอาเลยยังไงจะได้ก็ให้ยาวที่จะขอสอบกงคนอื่นล่างไปใน่คิดเห็นอกเห็นใจคนอื่นถ้าหากเรามาล่ค้าดผ า, าคือมาเสดค้าดาเพื่ออินาเวรมนีเสมาคิดไล่มาเนื่องแต่ใจค่อยนักดับศูนย์ไปความเห็นอกเห็นใจสิ้นไปใน ก, นก็จะี่จะมีขึ้นมนุษย์ช้าโลกที่อยู่ได้แสนเราจะอยู่เย็นเแสนสุข อย่างพวกเราที่มาอยู่นี่แหละถ้ามีใครแค่คนหนึ่งคิดเขาจะยศคอยที่จะลกักออกไปต่างใครแค่คนหนึ่งแต่ทิ้งไว้ น, นี่ก็ไม่ได้นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วไปดูจะจบแค่คนหนอไมมีความสุขที่ไหนอันนี้พมายว่าต่างคนต่างมีจิตเป็นธรรมอยู่ด้วยกันไปด้วยกันไว้วางใจซึ่งกันและกัน ก็สง บ, บเงียบเย็นเป็นสุขถ้าเราไปนั่งรถนั่งล <S <S าเด็กกระเป๋ามาคอยล้วงกระเป๋าลานไปนี่ความสุขที่ไหนเนี่โทษเลยเนี่ยถ้ามาไล่คือมาเสกคาถานอาทิตนาทานเวกี้มาทิศนั้นมันขายไปโลกก็จะมีความสุขตั้งแต่จะเฉพาะแต่จะเพาะส่วนตัวทักงสองคนอยู่ด้วยกัน เรื่อมัจะมีแปลเรื่องหมู่มากขึ้นมาเดินหับถึงบ้านหมู่บ้านประเทศชาติบ้านเมงมีความสุขสบายกธินาทางไม่ทิ้แรกแล้วก็ทำลายคนอื่นหรอกคิดจะทำลายล้างฐานคนอื่นแค่สกคลนอื่นีไม่ได้คิดจะเจะได้อย่างเดียวแต่มันเบียเดเบียนตึงไปในตัวไม่รู้ เพราะโจรขโมยนั่นแหละเกณฑ์ค่อยรัฐบาลนี่นเกจพัาเชียกรเป็นให้เงินล่งเงินเดือนแ ก, กตํารวจทหารเป็นให้เงินเดือนแกผูก้พิพากษาอัยการมาชำระคนที่ไม่ชื่อไม่กงนั่นแหละมาเบียเดเบี ย, เนะ น, น, เบยนเรานะั่นแหะเกจพัาเชียกรเรานั่นแหละมีไปมีไปทีแรกเราตั้งใจจะทำหลายคนอื่นไม่เบียเดเบียนคนอื่น แต่ครั้งเมื่เบียนเบียนตัวเองไม่รู้อย่างลราฆ่าสัตว์ลักทัพย์กระพืชผิดนิชช้าจางสางของห้องมอสซาเรลสลาเนลหลายชิ้นหกักกระสายเนี่ยนับเขาเ้าใจเราได้เสียเขาแต่ขโมยเขาว่าเราได้เสียดเขาแต่แท้ที่จริงคือเราเสียเสียตัวเนองตัวเสียเสียเพราะาอะไร คือความชั่วมันรั่วเข้ามาซอมซ่ากเข้ามาอยู่ในจิตแจเรานั่นแหละคือความเสียสดึกความไม่ดีนั่แทรกซึมเข้ามาในใจขงเรานั่นแหลคือความเขียวดึกถ้าหากเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเรียกว่าเข้าใจถึงหลักธรรมล้วขโมยสมามแฉะเราขโมยควาแค่จริงคือความชั่วมันขโมยความดีของเราไปการเราเคลื่นทิดนิชาจานิ่งเด็วไล่ ความที่ไม่รู้จักให้สิทเสรีคนที่ไม่รู้จักชิดเสรีขเข้งกันในการคนที่เด้ความเดือดร้อนไม่รู้จักเรียกว่ามิตจฉาจารประพฤติในบุตรภรรญาสามีจึงเข้กากันมิเดือดร้อนมากคู่รัก ้องใครก็ต้องห้วงแขนความสนเป็นธรรมดาถ้าหากว่าทำลายความรักนั้นให้ห่างเหนินและจากคู่รักมันก็เป็นสิ่งที่หนาเดือดร้อนโลกก่อนที่จะตั้งเือมาทีแรกมนุษย์เกิดขึ้นมามีเป็นคุยจาย่นทีเเ่เขาเล่ า, ล า, ลาถึงเรื่องประวัติ ทมลงมาเกิดเมื่อ น, นานๆได้เข้าทมมาเกิดแล้วก็มาทานอาหารบริโภคอาหารสิ่งที่ยายากทมมาเหาะได้เมื่อมาทานอาหารบริโภคอาหารมวลดินเพียงยากก็เลยเหาะไปเลยจับคุ้โคมโลกไปเลยลักษณ์นี้ได้ก่อนไม่มีดวงจันทร์ดวงทิศดวงจันทร์อาศัยลักษนี้ทั้งตนเองเพราะเราทมมีป่าที่หารมีชาตเป็นเครื่องอยู่ พายอาหารนาเน่ยหยากเท่ากับรัศนีก็เสือส่อมศูนญหายไปจนได้เกิดเป็นดวงที่ปแข า, างจะมาตอกโลกนี่ตำนานโบราณมันมาทางธามนั้นนานนะเข้ากระดึกความที่ว่าความหยากพายทางกายทางใจได้เกิดเป็นเพศหญิงเพศชายเพศนคนธรรมไม่มีมเครื่องห่มห่ อ, หอปกปิดร่างกายเท่งเล็งเห็นการและกาจ ะ, กะกกเกิดปฏิพัฒ น, น์กำลัง ยังมีการสังวาสชบเชยเึ่นกันแลกันโดยที่ว่าในสมัยนั้นยังไม่เคยสร้ากฏหินเลยแต่ว่ามันธรรมชาติผู้เห็นเขาเลยอุจจ่ายขายสิ น, นาตน่างก็ผ่านกันกเป็นนามกันผู้ไม่ผู้มีเห็นอย่างนั้นเขมีไม่ขวานตอนดิบขวานฟ้ากัานนี่ควา้านาดิบมันคิดเท่าที่ทายโป๊มันเลย นนธรรมชาติสอนว่าเป็นของไม่งาไม่ดีนานๆมาก็เกิดมีการหุมห่อปกปิดกันด้วยใบไม้เปลือกไม้พัฒนามาโดยลำดัดจะมีผ่ามีผอด น, นี่โลกมันจเจริญมาเนี่ยทันีจเจริญชุดขีดละชานี้มันกลับคืนไปแล้ว มันจะเลิกกันหมดละห้า่อนมันไม่ตงนุ่งกันละไมไม่ตรงนุ่งกันละนตนนละอนนี้มันจะกลับลงไปท้องเก่าแล้วเขาว่าลกจเจริญเพราะวันนั้นไม่ใช่เรื่องจเจริญมันเรื่องเสื่อมนี่เรนิตชาจาร์ทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งบัญญัติสินห้าด้วการในอิานิชาจาร์ แต่มันเป็นที่อุดจากกับอายขายกีดามาแต่โนนนท์ธรรมชาติชิ้นห้าผู้ทีเจ้าท่านสอนน่นให้ปฏิบัติตามความนิยมทั้งสิ่งในงานมาแต่นี่จะไส่มาโลกนิยมในนั้นชิ้น้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าวรรยัติชื่นใหนม่ๆนี้แต่ก่อนครั้งครุฑเจ้ายังไม่ไา้ปฏิบัติขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ผู้ที่ไเห็น่าเป็นของดีเป็นเครื่องวัดความดีของขด ในโลกพ้อมก็เลยทรงอนุมัติต่างอ้อหกเสาวา่าดื่มสุราในไรเรานี้ร่วนนั่นเจ้าข่วงชั่วรั่วไหลเข้ามาดองอยู่ในสั้ดานจนเป็นนิ ส, สัยค่วงชั่วทั้งหลายเรานีนน่ย ซึงเขามาภายในสหาสเราไม่ใช่ขาขาปัดเป่าหรือเสกสัยูตลอดเวลาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนดีคนดีขึ้นมาดังอธิบายห้ฟังแลยอ่ะ5ิห้าไม่ใช่เป็นของที่จะนับถือหรือถือว่าเป็นเครื่องบูชาแท้ที่จริงสินห้าจะเป็นเครื่องวัดความดีคนละชั่วได้ข้อหนึ่งสองข้อก็ดีขึ้นมา ละได้ทั้งหาข้อก็เยียกว่าดีสมบูรณมนุษธรรมถ้าหากเรายังวมีศีลชั้ น, น, นข้อเดียวเลยหมดทั้งคิดคิดดูแ ล, แล้วกแล้วสัตมนุษย์กับสัตว์คิปกันจะเท่าไหร่พระสัตว์ไม่มีศีลจึงเลวสานกว่าคนเราคนเรามีศีลถึงแม้ให้สมบูรณ์เขาเรียกว่าดีกว่าสัตว์ อาจจะฆ่ามนุษย์คนเราคิดได้มาเป็นของสมบูมบริบูรณ์เรียวกว่ามนุษย์สมบัติหรือที่อีกทีกเรียกว่ามนุษย์โสคือผู้มีใจสูงแต่ว่าการเราคือปฏิบัติเหมือนเงินกสัตต์มันก็ไม่สูงอะไรขึ้นถ้าเราถือเกียรติเราเออเรารักษาเกียรติเป็มนุษย์ของเราเป็นผู้มีใจสูงแล้วก็ผ่าการรักษาคุณธรรมให้สูงกว่าสัตว์ทั่วไป ก็ได้ชื่อว่าเรารักษาเกียรติของเราไว้หากว่าเราทอดทิ้งเกียรติของเราแค่ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยชิ้นห้าไม้แต่ต่อเดียวเท่านี้ก็เรียกว่าต่างฆ่าเลวสารกุศลจริงๆเ่็นสิ่งที่อับอายขายที่น้าที่สุดถึงแม้เขาจะไม่รู้เรียนสาจะต่างเรามีควรอายตัวของเรานีสอนหน้าสอนหมาสอนสิ้นห้าอันนี้เป็นเปลือกนี่ขนาดนี้ยังเปลือกอยู่แน่เนี่ เปลือกของพุทธศาสนานย่างนเปลือกนี่แหละถ้าหากว่าเราไม่กระเทาะเปลือกนี่แหละยังไม่แห้งแหี่ยวเปลือกนี่แหละยังห่มห่ออยู่ก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงของพี่ให้เติบโตและให้แข็งแรงเึ้นโดกันดั่งกี่คืออะไรคือได้เด็ดความ กลบลมกายวาจาจังตนให้เข้าถึงความสงบที่เรียกว่าสมาธิภาวนาผู้ที่มีสมาธิภาวนามั่นในพุทธศาสนาแข็งแกร่งไม่ยอมเอียนไปในระดิใดๆทั้งวงหมดเท่านั้ทําทำทางรากษาศิตนี่มีคนมายุยงหรือมีคนมาเตี๊ยก่อให้ถือศาสนาคิดกิตตรม ทห็ดูได้ง่ายตั้งการหัดสมาธิภาวนาแล้วไม่มีวันเลยจิดถ้าตั้งมั่นสมาธิแน่วแน่แล้วเชื่อมั่นในคุณพระเจ้าไตรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลักพุทธศ า, ส, าสนาสอนตรงนี้เมื่อสมาธิแน่วแน่เห็นคุณค่าของพุทธศา ส, าสนาแล้วใ้าจะมาปั่นเป่าเกินไม่ได้เด็ดขา น, น, นี่จึงว่าสุขี ทั้งหลักลอยปัญญาปัญญาเรียกว่าแก่ถ้าหายวิจิตตั้งมั่นกังอธิบายฝั่งมดืดคืนนี้ปัญญาจะเกิดากความคิดจิตตั้งมั่นใครจะทำงานอะไรตา่างๆหรืงแม้นักอภิทยา ศ, าาศาสตร์ที่เป็นเขาเรียกว่าวิละวิละบุตรผลบรุษในโลกนี้ตา่างเขาต้องมาหนีหลักสมาธิจนะิตให้แน่วแน่ นักแม่นมั่นคงในผดผลของเขาที่เขาเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงจังเขาไม่ยอมทอดทิ้งอุดมการณ์ของเขาจะคิดค้นจน ไ, ได้ผลอย่างที่นักคิดนักคน น, นต่างเขาค้นกันมาของที่เขานักคิดนักคนในโลกนี้ทำเป็นประวัติตำลาไว้ คนนี้ตายคนนั้นคิดต่อนั้นตายคนนั้นคิดต่อเขาต่อเนื่องกันไปเพราะเขาเชื่อคนที่หลังก็เชื่อแน่ๆในธรรมะที่เอ็งทำให้สาเร็จประโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างี่แหละกะเมื่อกะพีมีแล้มันก็ค่อยสวอชุ่มรูปชุ่มสลาดนักแน่มัน ข, ข่มลงมา แกนคืออัไรคือ ป, ปัญญาเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่คือว่าจะต้องมีเปลือกมีสีิและมีแกนหุ่มหุ่มหอกให้ลหล่อเลี้ยงซึ่งฉันและกันอยู่ตลอดกาลเวลาหากว่าท่านผู้มีปัญญาเขียดแหลมกับพี้ ท, ท่านแกนของท่านแข็งแข่งที่สุดจนหลุดพ้อนได้จากเปลือกแกนสผิ คืท่านนิพพานหมดความยึดความถือความยึดบันสําคัญ้นสิ่งใดแต่ละควงหมดท่านนิพพานท่านหมดจากสิ่งที่กิเลสแห่งความกมดแล้วยังเหลือแต่แก่นคือไม้ที่ยืนต้นตาก ย, ยืนต้นไม่งอกอีกแล้วแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จําเป็นจะต้องหล่อเลี้ยงดึงดันในกันโดยต่างดังเราจะเห็นได้ พระพุทธเจ้าที่เป็นผุ้ค้นเสร็จแล้วจากทุกทางปวงคือถึงปัตตมาท่านพุทธจ้แกะอันตมารท่านพุทธเจ้าหรือปอาเรยสมทั้งหลายท่านก็จะต้องบริโภคอาหารประเดศโปรดสัตว์คือบินทบา่าท่าทั้งหลายกปอาเรยสมทั้งหลายจะเป็นนั้นเหมือนกันจะต้องมีการยืนเดินนั่งนอนจะต้องมีการเทศนาอบรมสั่งสอนคนอื่นโปรดนคนนั่นคนนี้ เป็นตาเป็นธรรมชาติเมื่อมีชีวิตอยู่ถึงแม้ปัญญาท่านจะสูงสุดหรือหลุดพ้นแล้วท่านก็จะต้องเอามาใช้เอาเรื่องมือนี้มาใช้คือแยกว่าสัวพี่ก็บยังเปลือกกับยางแก่นมีอยู่กับพี่เปลือกจะพุ่องออกมายู่ใช่ไปแล้วก่อนหากว่าท่านดักขันปิญญาผานเปรือกแล้วกับพี่จะหลุดออ ก, กจากแก่น ถ้าเป็นต้นไม้กจเรียกว่าต้นไม้สายอยื่มันคงทาวรนต่อไปเนี่ยเราเนี่เข้าใจแย่พากันลหลงไหลถือเอาเปลือกเป็นแกน่หรือถืออพี่เป็นแกน่หรือถือแก่เป็นกะพีทีตีตอ น, น, นต่างๆเช่นเราพากันไหว้พระสวดมนต์มัน หล่อเลี้ยงมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกับพี่ไปเรื่อหล่อเลี้ยงแก่ในตัวถ้าเข้าใจแล้วไหวพระอรุษขึ้นคุณพระพทธเจ้าอรุขึ้นคุณประทานหรือเราสวดมนต์ว่าชลาธรรมมีชั้นอรัติโตแรงมีความแก่ไม่ทำไม่ดาคนยคอย่าควาแก่มไม่ดาแล้วไม่ความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ความตายเป็นธรรมดาคนแก่คงเจ็บคตายไม่ด่ ก็ต้องเอาภาพจากของรักของชอบแย่งทัวหมดเป็นพิธีตรวจมนนี่เรียกว่าเปลือแต่ว่าถ้าหากเราเข้าใจในเนื้อนั้นจริงๆอย่างแล้วเรามาคิดคน้นเมน่อ ก, กลายเป็นสติธรรมจนกระทั่งเหตุชัดตามเป็นจริงแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี้ยเพียงได้สราว่าเกิดได้จะเข้าไปยึดอะไรก็ไม่ได้แจะถือเป็นตนใตัวไม่ได้เมื่อกลายเป็นแหตุจริงมา อัตาออตาเกิดจากอานัตตาเกิดจากตาถ้ามันมีอัตตาเกิดที่อานัตตาก็ไม่มีที่เกี่ยนเดี๋ยวจะทิ้งอัตตาถ้าทิ้งอัตาออตาแล้วก็ไม่มีอานัตตาก็ไมตาจะไปเกิดอย่ากไหนก็บที่มันมีเขียนจะเกิดมาจากไหนต้นไม้หล่อเลี้ยงกันโดยการตัต้การอธิบายมาแล้ว ทุกวันจะมีคนเราพากันมัวหมองเรื่องเปือกกันมากมาย ท, ทีทีตองอย่างที่ว่าพูดกับพูดถมันเป็นเรื่องคล้ายๆก็ยกโทษคนอื่นเรื่องคุชทาที่เสกเสกสังลูกเลี้ยงอะไรตาร่างโอ้โหยน้หมุมหน้าวนอะไรเสกเป่าเสกสั่นไปกันเยอะขอโชคขอลาบขอให้รุ่มให้ด้วยอะไรตาร่างๆเข้าไปหาพระทั้งนั้น หรทุกวันเป็นพระเจ้าของคนชาวโลกท่านอาจารย์เงิใหญ่จะกลายเป็นพรเจ้าใครต้องการอะไรก็ไปหาพระเจ้าให้พรเจ้าเศษเป่าเศษสัไหงไปนั่ยมีเรื่องซื้อเปลือกดิบ ด, ดีดดดไม่ทำเดตําเดงค น, นื่นไหไม่เคยมีในทางลักกามาไม่เคยมีแกพราบางพระบาององค์ทศนาอาจารย์เลยจะมาก็ยังทํากันอยู่ มาจิตจะเห็นกับที่ว่าเด่นมงคลลสูตนะสวดนะศาสนาไปบ้านใครจะสวดอะไรที่จริงๆริงจังไอ้ผ้าไอ้สวดไอ้ที่จะเป็นรีมงคลแต่ในผลที่สุดไม่รู้เรื่องท่านไม่ท่านสวดแต่แม่ใช่ไม่จะดีถ้าสวดให้ดีมันก็มันเป็นศาสนาให้เจ้าพระเจ้าจีพรเจ้าประทานพรประสิดที่หายใจหดเราไม่จําทําอะไร ท่านสอนเก็่นบาลีพูดง่ายๆอย่างอธิวราณาจะพาลนานังปัตานั้นแจกเธ ว, วรวาณาสวดมนต์บ้านไทยๆ ท, ที่ไหนกัขึ้นนี้เลยก่อนเอะคะเมื่อควอมใช่มาเดชว่าเศษสารเศษเผ่าให้คนเป็นสีวิมงคลท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยท่านสอนว่าอยากคบคนชั่วมันจะทำตัวให้เลียวไหล ให้ครอบนักปราชญ์บรรดิตผู้ที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์สงศ์ใสท่านจะชักนําให้เราไปหาความสุขความเจริญท่านสอนอย่างนี้จังหวะอันนี้ไปฟังไปพระท่านสวดแล้วก็ดีใจว่าตัวจะเป็นชีวิตมงคลอะไรต่างๆอย่งนี้หนาเลยเซกเสนาตุนนาโมนปักผมให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้รุ่มได้รวยจะมีอายุอันนาทุกขาดปะหลาดฝายจะมีสิทธิักีแหสิทธิ์เปิด บังลุงขวัญหรือบังลุงน้ำใจให้ชื่น อ, อกชื่นใจถ้าไปติดมันก็ชื่นอะไรสิน้ำแห้งมันก็ลมของเก่าผ้าป่าน้ำหมนหดีออได้ใจก็เอือดป่านมาหมดมาจีใจให้น้อยจนไม่สบายให้ ม, มากๆจนอาบไปเลยเดี๋ยวนี้พา้าอาบน้ำให้ยม สมัยก่อนกูต้องการนโยมจังตักหน้าไว้สงกลฆ์ตีใหม่แต่นี่ไม่เอาให้ป้าอาบน้ำให้พูดแต่งพวดอยะไรแงทำไมพูดจะมดเปลือกควดจะเปือกให้รเจียง ไปถ้าทางนี้คิดดมันจะเป็นอย่างจะม า, าพูดไหถ้าหาว่าเป็นอย่างจะม า, าพูดอย่าไปคิดเปลือกเอาเธอที่ถามที่พูดนี่ไม่ใช่ในห้ามให้ทำทำเหมือนกันการประเพณีนี่ยกแต่อยา่าไปติดอย่าไปถือนะเรื่องของจริงของจรงเลยไม่จัเปลืองไมจะกแก่ไม่ได้จัดทีตรงที่เอาตรงไหนที่เอากันจริงๆจำเข้าใจเท้านั้นก็แล้วกันวันนี้อธิบาย ไอ้ต้นพุทธศาสนาเนีย่ยศาสนาเคยแล้เมื่อคืนนี้คืนที่แล้วมั้งนี้ป่ายจะปล่อต้นศาสนาที่มันมีทั้งเปลือกมีทั้งกิ่มีทงเกศได้สองการติดต่อกันมาเอาละเท็จเท่านี้เลยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอยู่ในเมือง ขันลานี่สีไม่เห็นพระเจ้าสภากันกังวลคิดถึงพระองค์เมือ่อไรเนาะพระองค์จ ะ, สะเสด็จองค์จ ะ, สะเสด็จดยังไงก็มีพระโมกขันลาขึ้นไปคิดต่ออยู่เสมอว่าพระองค์ยังไม่กลับสามเดือนอีกจะกลับออกพรรษาแล้วเมื่อลงมาที่ลงมาตรงไหนนั่งสันนงไกตนครพระเจ้าจพระเศียที่โพธิสัตว์เห็นว่าพุทธบริษัททั้งหลาย ยังกังวลคิดถึงพระองค์ไม่มีตัวแทนก็เลยตามเรื่องหรอพระมามพ ล, ลักษมณ์จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่จัดแต่จะน้าฟังเลยจะไม่จันมาสลักเป็นลูกตระองค์ให้คนทั้งหลายถายกตะศกราบบูชาแล้วลึกถึงคุณพระเดชจักรยังเรื่องที่สลักลูกหล่อลูกไว้เป็นตัวแทน แห็นในพระเดชจ้าวแล้วกระกาบไหวสการ บ, บูชาเกิดศรัทธาเรื่อมใสพื้นดีติแล้วก็คิดถึงความชั่วที่ตนทำพระพุทธเจ้าสอนให้ทำหน้าแบบนี้ไม่ทำแล้วก็ละและ้วก็ปล่อยวางทุลาทอนที่ันสิ่งที่ไม่ดีนะนักขาได้สิ่งที่ดีไว้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้นี่ลูกสมัยก่อนมาหลังๆลูกครูบาอาจารย์ลูกใครๆอาจารย์เคยเลี้ยงใช้แา่ฉันเลยก็ได้ทํานองนเหมือนกันแต่นานมาแล้วไม่แข่งงานกีนแล้ว พอได้เหรียญก็เป็นของขาังของศักดิ์ิทิ์วิเศษป้องกันประยันตรายให้โชคให้ลากตอนเองสนุกทำขมชั่วทำอะไรได้นู่ก็เหปปรียนครูบาอาจารย์ป้อง ก, กั น, กนขยา่า ว, ขยาวให้ก็ดูส้ํานิดของขลันั่นนู่นงดฉันไม่กลัวหรอกขย่าวให้เขาดูนี่มันเลยเป็นเงี้ะมันเกินขอเกร็ิไม่ถูกเกีตนาของผม หรือเอจตนาของโบราณแต่ก่อนมีการทําไม่ถูกเลยเลยถ้าผิดแป่ไม่ต้อิดทุกอย่างมานจมานี่ว่าคนทําขวมเลวทุกวันอนี้นะเลวซามเคาะเหรียญนี่ก็เยอะเหมือนกันแต่มาเคยพูดให้เขาฟังเอาเหรียญไปทาเป็นเครื่องป้องกันถ้าหากว่าเหรียญนี่ไปตกกับขโมยแหละข้าพวกโจรอะก็เหรียญของอาตมานี่ยป้องกันขโมย ไอ่าตำรวจเขาเกี่ยวเหรียญน่จะมาในป้องกันขโมยขโมยก็เยอเหรียญอาจจะมาในและป้องกันเจ้าหน้าที่ท่านไปช่วยใครทำไมคนเดียวไปช่วยทั้งสองฝ่ายเหมือนอเมริกาช่วยเรียน้ำช่วยเรียกนามทั้งสองฝีน้ำมือทางเหนือไปดนใรข้าเอท่านเหรียญไมดี นอกจากนั้นอีกคนที่ทำลูกทำเหรียญนยนะั่นแหละเอาละถขาก็ปั้มเหรียญให้อะเราไปจากก้าะทำสักหมื่นหนึ่งเหรียญนึ่งกัสักบาทเป็ก็เอาละอันนี้เขาไปาไป 5, ั้มไปจังห้าพันเป็นของเขาแล้วสติเราปว่านน่แหละมันก็รวยอปนะเป็นน้อยเลยดูดลงไปไปดื่มไปจนมึนเมาเข้าใจว่าดีเป็นของดีถ้าหากไม่มีสติก็เป็นของดีมันไม่มีอาย ถ้ายังมีสืตียังมีอาอยเยอะมันอายคนมันไม่ดีคือเรื่องของดีของมีหน้ามีเกียดติท่านดืม่มตุลาเมาหมึนแล้วสุลาท่านว่ามัดชะประมามันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทคนเราจะาาท้าดื่มตุลาห้ก่อนมันเกิดจากความมึนเมาถ้ามันมึนเมาลงมือไม่ได้จึงมาเป็นเหตุให้ประมาทแก <c oughs> ไม่รู้จักเหรอว่าไม่ดี ชั่วแต่จะปุตไม่เลยมันคนได้ลองคิดคิดดูนั่ข้าวสางดเว้นตลอดทั้งสาวเลยเพราะออานั้นเรียกย้อนจากหลังมั้งเพื่อนเราเย้ก็คงไม่ดีแต่ว่ไม่ดีทำไม่จริงเราไปทำแต่มันดีเลยจะไม่ดีหรื เรียกยันหลังเยอเลยนี่ยังไม่งียบเลรอก็หกตนเองนะก็แท่นนะ่ก้อนอื่นเนี่ยก็โกหกตนืมแหมแต่โกหกคนอื่นเนะี่ยวเราเมดอเนจะเตรีมชั่วนี่จะโกหกคนอื่นนะี่ยแล้วก็ยังโกหกตนเองอีกนะถ้าหาคนซื่อจริงเริงงจริ ง, ร ง, รงว่าชั่วแล้วก็จะไปถามเยอะทั้งหมดเรื่องอันนี้ยัง สุราเน <laughs> no hey, kind of ี่ยหลายโหที่มันเป็นของทุกวันเลยนี่อะไรที่มันจะเระบาดมากที่สุดก็ไม่เนียอะไรมันเกิดจากลำวงหน้าไม่เหมือนลำวงไม่ได้เราจะมารู้เรื่องเดี๋ยวมึงต้นมันเราไปพักคนไม่เคยดื่มสุราเลยเาสาวนงหนุ่มสาวไม่เคยดื่มสุราเลยเวลาลำวงก็ต้องพาันใส่ถ้าคนได้คึกค้องคึกไปก่อน ก็มาไปเห็นโอ้ยเบื่อเบื่อโอ้โหยำวงเนปะ็นเสี้ยนจิงถ้าเราใจไม่สงบแล้วธรรมะเราอยากไปวางเราตรงไหนไม่ทิ้งจะสงบใจเราสงบแล้วก่อนธรรมะเป็คนความสงบที่จะมาวางลงที่สงบจริงใจที่ทำมาเป็นความสงบนี่ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาธรรมะให้ทำใจให้สงบไปก่อนจะรู้ชัดเห็นตามเป็นจริงก็ต้องจิตสงบไปก่อน ถ้าจิตยังไม่เต็มสงบส่งใ ส, งสคิดนึกกลืนกรองไปตามอารมณ์พุง่งกระเจิงไปเลยไม่เห็นความจริงหรอกคือมันละไม่ได้จริงถ้ามจริงมันจะละไดนะ้จริงเรียกว่าของจริงจริงเรียกว่าศาสนาเป็นของมีค่าทําให้คนดีขึ้นมาได้อันนี้เรียนเท่าไหร่ไปยิ่งเลวไปทุกทีมันก็ไม่มีค่ามีประโยชน์ศาสนาขายกินอาศาสนาขุด ศาสนาเป็นท่องดีคนมาศึกษาแล้วเรียนยคนมาปฏิบัติไม่ดี <c oughs> ได้น้อยก็ให้รักษาไว้เดี๋ยวมันหมดสูงชิ่นไปได้เท่าไหร่ก็รักษาไว้จริงจะเรียกว่าเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเราเชื่อมันเราไม่สามารถจะทําให้สูงขึ้นไปแล้วดำดีขึ้นไปได้เท่าไหก็รักษาันไว้้วก่อนจิ้นจิงจะเรียกว่าเราเชื่อมันในขั้นสองปุถเจ้า เราเชื่อมั่นในความดีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ <c oughs>